ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลายนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประปรมมศาสดาตรัสรู้เองโดยชอบ ทำสติกำหนดรู้จิตของตนเองเอาตัวรู้กำหนดรู้ที่จิตนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่จิตของเรา เราไม่ต้องปัไปไปกังบลกับสิ่งอื่นโดยที่สุดแม้กระแสเสียงการบรรยายธรรมหรือแสดงธรรมเราก็ไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ให้มีสติกำหนดู้จิตเพียงอย่างเดียว เมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราผู้รู้คือพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นที่จิตการทรงตัวอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะก็ทรงไว้ซึ่งคุ ณ, ณธรรม สติที่สังวรระวังตั้งใจจะสำรวมจิตก็ได้ชื่อว่ามีกิริยาแห่งความเป็นประสงค์อยู่ในจิตดังนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวหมดปัญหาที่เราจะไปกังวลกับสิ่งอื่นๆ เพราะธรรมชาติของจิตและกายถ้ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายและใจจิตเขาเป็นผู้มีหน้าที่รับรู้เขาจะรู้เองโดยอัตโนมัติ ตาหูจมูกเล่นกายเป็นแต่เพียงเครื่องมือเป็นเครื่องมือของจิตที่จะสื่อสารกับโลกภายนอกดังนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมจึงสำคัญอยู่ที่การที่มีสติกาหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียว ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมสั่งสอนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพ่อฤๅท่านพ่อฤีซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่เราเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งท่านจะย้ำสอนอยู่ที่อนาปานุสติอนาปานุสติคือการที่มีกำหนด มีการกำหนดสติกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้วิธีการกำหนดรูลมหายใจ <c oughs> เราก็เพียงแค่ว่ามีสติกำหนดรู้จิตอยู่เท่านั้น เมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่จะปรากฏเด่นชัดที่สุดก็คือลมหายใจเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจเราก็จะรู้ธรรมชาติของกายธรรมชาติของกายนี้ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือลมหายใจเท่านั้น เมื่อลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาเราก็ตายลมหายใจออกไปแล้วไม่ย้อนกลับเข้ามาเราก็ตายนี่เรามองเห็นความจริงได้เด่นชัดในเมื่อรู้ว่าเราจะตายเราก็รู้มรณาณุสติคือสติระลึกถึงความตาย เพราะฉะนั้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานุ์ว่าอานุ์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งกี่หนท่านอานุ์ก็ทูลตอบว่าวันละพันหนท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอานนุ์ยังประมาทอยู่เราตถาคต ระ ล, ลึกถึงความตายทุกลมหายใจที่นี่เมื่อเรามาพิเคราะห์หรือพิจารณาโดยความเป็นจริงตามพระดำรัสนี้โดยธรรมชาติของผู้ที่เป็นพุทธะคือพระพุทธเจ้าย่อมมีพระสติสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วอยู่ทุกขณะจิต ดังนั้นคำที่ว่าระลึกถึง ล, ลมหายใจทุกขณะจิตนั้นก็หมายถึงการที่พระองค์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกตินั่นเองในวันหนึ่งหนึ่งคนเรานี่หายใจวันละกี่ครั้งกี่หนเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจของเราเข้าออกอยู่ตลอดเวลา ก็ได้เชื่อว่าเราละลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานนุ์ว่าเราละลึกถึงลมหายใจทุกขณะิทุกขณะที่มีลมหายใจนี่ความหมายของพระองค์เป็นอย่างนี้สมัยที่ท่านพ่อรียังมีชีวิตยอยู่ ท่านก็ถือว่าอาตมะนอกจากจะเป็นลูกจิตแล้วยังเป็นหลานของท่านด้วยท่านมีศักดิ์เป็นปู่เวลาท่านโปรดไปเยี่ยมเมื่อไรท่านจะบอกว่ามหาพุทธกาหนดจิตรู้ลมหายใจเดี๋ยวนี้ท่านไม่เคยสอนอย่างอื่นท่านบอกว่าให้กําหนดรู้ลมหายใจ พอมีสติกำหนดรูลมหายใจสักพักหนึ่งท่านจะถามว่าสบายไหมเวลาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ทำอะไรมันก็สบายหมดเพราะมันกลัวกลัวบารมีของครูบาอาจารย์ก็ต้องตอบท่านว่าสบายมากแล้วท่านก็ย้าว่า การปฏิบัติสมาธิภาวนาสำคัญอยู่ที่อนาปานุสติถ้าไมจึงว่าสำคัญอยู่ที่อนาปานุสติเรียนถามท่านท่านก็บอกว่าใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามหรือจะพิจารณาอะไรก็ตาม เมื่อจิตจะเข้าเมื่อจิตสงบแล้วซึ่งยังไม่ใช่สมาธิเป็นแต่เพียงความสงบจิตหยุดนิ่งไม่นึกถึงอะไรอีกแล้วในขณะที่จิตอยู่ว่าง่างลมหายใจจะปรากฏเด่นชัดที่สุดซึ่งจิตมันจะวิ่งไปหาลมหายใจเอง นี่ท่านว่าอย่างนี้สรุปความว่าใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์เดิมที่กาหนดพิจารณาอยู่ก็ดีบริกรรมภาวนาอยู่ก็ดีจิตจะวิ่งเข้าหาลมหายใจอันเป็นธรรมชาติของร่างกายเมื่อจิตมาจะปลมหายใจ ในช่วงนั้นจิตจะกำหนดรู้ okay. ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะไม่นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียด เพียงแต่กำหนดรูลมหายใจเองเฉยอยู่เหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อจิตมากำหนดรูอยู่ที่ลมหายใจบางครั้งลมหายใจจะปรากฏว่าหายใจแรงขึ้นเหมือนกับคนเหนื่อยหอก ท่านก็เตือนให้มีสติกำหนดรู้อยู่เฉยๆบางครั้งจะรู้สึกว่าลมหายใจแผ่วเบาลงไปเหมือนใจจะขาดเหมือนจะหยุดหายใจท่านก็เตือนให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นใจกับความเป็นเช่นนั้น สติเขาจะกำหนดรู้ความเขาอยู่เองโดยธรรมชาติถ้าหากผู้สติยังไม่เข้มแข็งเมื่อเหตุการณ์อันนี้บังเกิดขึ้นจะเกิดเอกใจตกใจแล้วสมาธิก็ถอนก็อตั้งตนบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาไปใหม่จนกว่าจิตจะไปถึง ความเป็นเช่นนั้นคือไปถึงจุดนิ่งว่างทีนี้จิตที่ไปหยุดนิ่งว่างอยู่เฉยๆอันนั้นอย่าเข้าใจว่าจิตมีสมาธิมันเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นเมื่อจิตจะเป็นสมาธิมันเปลี่ยนสภาพจากความสงบ พอมันไปเกาะลมหายใจพับจะรู้สึกว่าสว่างนิน็ิๆตามกำลังของจิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีพลังสมาธิมีพลังสติเข้มแข็งจิตสงบละเอียดลงไปแล้วความสว่างสวัยมันจะปรากฏขึ้น ในช่วงที่จิตสงบสว่างสวัยปรากฏขึ้นนั้นร่างกายยังปรากฏอยู่จิตจะปลมหายใจเป็นอารมณ์คือวิตกถึงลมหายใจอันนี้เป็นองค์แห่งวิตก เทนิสติสัมปชัญญะที่เตรียมพร้อมรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นเป็นวิจารณ์เมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์จิตแน่วแน่ต่ออารมณ์ที่ตนวิโกถึงย่อมมีความดูดดื่มซึมซาบแล้วก็เกิดมีปีติ ปีติเป็นอาการที่จิตดื่มรสพระสัตธรรมเมื่อปีติบังเกิดขึ้นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบผู้ใจอ่อนมีปีติอย่างแรงตัวจะสัน่นตัวจะโยกน้ำตาไหลขนหัวลุกขนหัวพอง ท่านพอรีท่านเตือนให้กำหนดสติรู้ตัวอยู่ยเฉยๆพยายามรักษาสภาพจิตให้เป็นปกติไม่ต้องวันไหวต่ออาการที่เป็นไปเช่นนั้นเมื่อจิตมีปีติก็มีความสุขเมื่อมีความสุขก็ย่อมมีความเป็นหนึ่ง กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจความเป็นหนึ่งก็คือเอกขคตาถ้าหากสมาธิในขั้นนี้ดำรงอยู่ได้นานๆหรือผู้ปฏิบัติสามารถเข้าสมาธิออกสมาธิได้คล่องตัวซึ่งเรียกว่าวสี การจำนานในการออกการเข้าสมาธิแล้วสมาธิก็ดำรงอยู่นานๆจะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติได้ปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ประกอบผ้าคือวิตุวิจญาณปีติจุขเอกคตา นักปฏิบัติที่เคยผ่านแล้วย่อมเข้าใจดีทีนี้เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตนิ่งอยู่เฉยๆไม่นึกถึงอะไรแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิจิตก้าวขึ้นสู่ทุติยฌ า, าน มีองค์ประกอบคือปีติสุขเอกัคตาเมื่อเจสงบละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งอาการแห่งปีติขนหัวลุกขนหัวพองหายไปหมดสิน้นยังเหลือแต่สุขกับเอกัขตาตอนนี้จะรู้สึกว่ากายค่อยจางๆเกือบจะหายไปแต่ยังปรากฏอยู่ สุขก็เป็นสุขที่ละเอียดสุขขุมอันนี้สมาธิอยู่ในขั้นจะตุปถิตอัตติยชานมีองค์ประกอบสองคือสุขกับเอกักขตตาเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งกายจางหายไป ตอนนี่กายหายหมดแล้วยังเหลือจิตดวงนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนไม่มีจิตไม่ได้นึกถึงอะไรจิตรู้อยู่ที่จิตสมาธิขั้นนี้ถ้าเรียกโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิต เรียกโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเรียกโดยฌานก็เรียกว่าจะตุทฌ า, านมีองค์ประกอบสองคือเอกคตาความเป็นหนึ่งกับอุเบขาความเป็นกลางของจิตเป็นสมาธิอยู่ในขั้นจะตุทฌ า, าน สมาธิขั้นนี้ร่างกายตัวตนหายหมดยังเหลือแต่จิต ด, ดวงสว่างสวยอยู่แต่ยังยึดความสว่างเป็นอารมณ์จิตจิตเป็นอาตาหิอตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอาตาสรณนามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ที่ตน อัตาทีปะมีตนเป็นกาะผู้ภาวนาได้ชื่อว่าได้สมาธิขั้นสมถกรรมฐานเทนี้สมาธิขั้นสมถกรรมฐานที่ยังไม่มีพลังงานเพียงพอก็ได้ต่จุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นฐานสร้างพลังจิต แม้ว่าความรู้ความเห็นอะไรจะไม่บังเกิดขึ้นในขณะที่จิตทรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็าตามแต่จะได้พลังจิตคือพลังทางสมาธิทางสติเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีร่างกาย ถ้าจิตดวงนี้จะไม่เดินวิปัสสนาก็จะถอยโคตรโคตรโคตรออกมามาจนกระทั่งถึงความเป็นปกติอย่างธรรมดาเหมือนไม่ได้เยมาไม่เหมือนมาเหมือนกับที่ยังไม่ได้ภาวนาแต่ถ้าจิตบางดวงมีอุปนิสัยเบาบางจะกล้าขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา พอถอนออกมาพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตรงนี้ก็จะเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกระ น, น้ำผุซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้นักปฏิบัติบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าจิตพุ้งสาด แต่ความจริงไม่ใช่จิตพุ่งซ่านจิตจะข้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถ้าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความคิดพุ่งพุุ่งพุ ง, ง, ง, งขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่ตรงที่จิตมันเกิดความคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางคิดแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ได้วิ่งตามเรื่องราวที่จิตคิดกำหนดรู้เพียงจุดที่เกิดความคิดเท่านั้นอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสนาเจตที่มันคิดไปนั้นมันคิดเรื่องอะไรสารพัดจิตปะจิปาธาที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมามันจะมีลักษณะเบิ่เบิก่กันกับเราผูกกลิงไว้บนต้นไม้ มันจะกระโดดไปกิ่งโน้นกระโดดไปกิ่งนี่บางทีมันก็แยกเขี้ยวยิงฟันมันจะมีลักษณะอย่างนั้นมันไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเพราะความคิดอันนี้จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาถ้าสติสัมปชัญญะบรรลุพร้อมบนรคูศักแต่ว่าคิด คิดแล้วปล่อยวางคิดแล้วปล่อยวางคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดอะไรเป็นไว้เป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทีนี้มาจิตของท่านผู้ใดเป็นเช่นนี้ <c oughs> ถ้าหากไม่ไปเผลอคลดว่าจิตฟุ้งซ่านปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมัน มันอยากคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่ว่าเรามีสติกำหนดตามโลโลๆลโลลโลเรื่อยไปเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติตอนนี้สมาธิมันเป็นเองโดยธรรมชาติปัญญาก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเรากำหนดไหมเอาความดีจากความเป็นเช่นนี้ของจิต ด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อจิตไปสุดท่วงมันแล้วบางทีมันจะหยุดนิ่งปั๊บลงไปบางทีก็รู้สึกแจมๆจมอยู่ภายในจิตบางทีก็สงบละเอียดลงไปถึงขั้นจะตกธชาตไปยับยั้งอยู่ในจตุธาชาตตามสมควร แล้วก็ไหวตัวออกมาจากสมาธิขั้นนี้พอมาถึงจุดที่มีร่างกายเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาแล้วก็จะพิจารณาอธิบายเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ตัวเองฟังชดๆบางทีเขาอาจจะบอกว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงาน ความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดนี่แหละมันมายั่วยุให้เราเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายแล้วจิตจะสามารถกำหนดหมายความยินดี ย, นดยินร้ายว่าความยินดีคือกามตัณหาความยินร้ายคือวิภวตัณหาความยึดคือภวะตัณหา ในเมื่อเจ็ตมีการมั่หาภวะตั่หาวิภวะั่หาอยู่พร้อมความยินดียินร้ายมันก็บังเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็บังเกิดขึ้นสลับกันไปเมื่อผู้มีสติสัมปชัญญะมีพลังทางสมาธิทางสติปัญญาจิตก็สามารถที่จะกำหนดหมายรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิต ว่านี่คือทุกอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจิตก็จะกําหนดรู้รู้อยู่ที่จิตสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่กับจิตแล้วในที่สุดจะรู้ว่านอกจากทุกขไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปก็ได้ดวงตาเห็นธับ นี่ทางหนึ่งที่จิตของนักปฏิบัติจะเป็นไปแล้วอีกทางที่สองในเมื่อจิตสงบปลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปสมาธิจิตเกิดความสว่างสวัยแต่ร่างกายตัวตนยังปรากฏอยู่จิตยังเสเวยปีติสุขซึ่งเกิดจากสมาธิ ในช่วงนี้ถ้าจิตส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดภาพในมิตต่างๆขึ้นมาบางทีเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพเทวดาอินพรหมยมยักษ์บางทีเห็นครูบาอาจารย์มาหาหรือมาเทศให้ฟัง บางทีเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอาหารหันตเสด็จมาโปรดแล้วก็มาเทศให้ฟังทีนี้เมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ท่านพ่อรีสอนว่าอย่างไรท่านว่าอย่าไปแปลกใจอย่าไปตกใจอย่าไปเอใจอย่าไปยึดในนิมิตนั้น และอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่ามีอะไรมาปรากฏตัวให้เรารู้เราเห็นถ้ายังกำหนดจิตได้อยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นมโนภาพซึ่งเกิดขึ้นกับจิตของเราเองจิตของเราเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมา ทางแก้ก็คือให้มีสติกำหนดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นถ้าหากนิมิต ท, ที่มองเห็นในสมาธิเป็นภาพนิ่งแน่วแน่ไม่ไหวติง่งหรือบางทีออกจากสมาธิมาแล้วลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าอกขาหานิมิต เคยในมิดเตดตาหรือจิตกำหนดดูภาพนิ่งต่เน้ถ้าหากว่าเจตมีพลังแก่กล้าขึ้นเจตสามารถปรุงแต่งในเมตรนั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายบางทีในิมิตล้มตายลงไปขึ้นเอิดเน่าเปือยปูผัง แล้วก็สลายตัวไปต่อหน้าต่อตาหรือบางทีก็ปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาว่าร่างกายที่แตกสลายแล้วแยกออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือบางทีเกิดไฟลุกไหม้ร่างที่นอนตายอยู่นั้นเป็นเท่าเป็นฐานเป็นผงไปหมด หรือบางทีในิมิดนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาใหม่มีอันเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคะนิมิตเมื่อเจตกำหนดหมายรูปความเปลี่ยนแปลงแห่งนิมิตนั้นแสดงว่าเจตของผู้ปฏิบัติกำลังจะก้าวขึ้นสู่ภูมิิปัตสนา จิตถอนจากสมาธิมาแล้วเกิดความคิดก็ดีนั่นเป็นจุดเริ่มของวิปัสสนาทีนี้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วได้อุคหาเนมิตเป็นสมถกรรมฐานถ้าได้ปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติ <c oughs> ถ้าสิ่งใดที่เราตั้งใจปรุงแต่งจะให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาศัยความคิดที่แน่วแน่มันก็เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาอันนั้นเรียกว่านิมิตที่เราปรุงแต่ง แต่ถ้าว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นมาเองอันนั้นเรียกว่านิมิตมันเป็นเองอันนี้ลักษณะของจิตที่พุ่งกระแสออกไปข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นในบางครั้งเมื่อจิตพุ่งกระแสออกไปข้างนอกพอไปเห็นอะไรที่ติดอกติดใจ เช่นเห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นเทวดาอินพรมยมยักษ์ไปติดใจในภาคในมิตรนั้นก็เดินตามเขาไปจะปรากฏเหมือนกับว่าเรามีร่างร่างหนึ่งเดินตามเขาไปเขาจะพาเราไปเที่ยวนรกเขาจะพาเราไปเที่ยวสวรรค์ หรือบางทีเขาจะพาเราไปดูเมืองนิพพานซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นมโนภาพขึ้นมาทางนั้นทีนี้ตอนนี้ในเมื่อจิตเป็นไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติไม่มีทางที่จะไปบังคับไม่มีทางที่จะไปตกแต่งจิตให้เป็นอย่างไรนอกจากจิตของเราจะปรุงแต่งไปเองโดยอัตโนมัติ ในเมื่อไปสุดท่วงของมันแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเองอันนี้ธรรมชาติของสมาธิที่มันเป็นไปถ้าหากระแสจิตส่งออกไปนอกมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นในบางครั้งมันอาจจะไปรู้เรื่องลั บ, บ, บๆลิลิอันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่มองเห็นด้วยตาเช่นไปรู้วาระจิตของคนอื่น ไปรู้ความประพฤติของคนอื่นหรือไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นผลปลอยได้จากการปฏิบัติสมาธิซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไปถ้าท่านผู้ใดมีประสบการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปล่อยจิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน มันไปสุดช่วงมันแล้วมันจะย้อนกลับมาเองเจตมันไปดูข้างนอกมันไปสำรวจโลกเพื่อมันจะได้รู้ว่าโล ก, กับวิถูนั่นคืออะไรอันนี้เป็นสองทางละที่จิตมันจะเป็นไปแล้วอีกทางหนึ่งในเมื่อจิตมาจับลมหายใจเมื่อเจตสงบสว่าง จะมองเห็นลมหายใจเป็นท่อยาววิ่งออกวิ่งเข้าแล้วจิตเขาจะไปยึดอยู่ที่ท่อลมวิ่งออกวิ่งเข้าซึ่งสว่างสวัยเหมือนหลอดลิออนบางทีเป็นท่อยาวบางทีก็ เ, เดินตั้งแต่จมูกลงไปถึงเหนือสะดือสองนิ้วบางทีก็มองเห็นแต่ข้างใน เห็นแต่อยู่ภายในกายบางทีก็มองเห็นพุ่งออกมาข้างนอกด้วยซึ่งแล้วแต่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เป็นประสบการณ์ทีนี้ถ้าหากจิตไม่เป็นอย่างนั้นพอวิ่งออกวิ่งเข้าตามลมซึ่งเข้าออกเข้าออกเมื่อจิตสงบนิ่งเข้าไปมันจะเป็นนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกาย เรียกว่าดวงสว่างอยู่กลางกายนั่นเองที่นี่นอกจากจะสงบนิ่งสว่างเป็นดวงสว่างอยู่ท่ามกลางของกายแล้วยังสามารถพุ่งกระแสะความสว่างออกมารอบตัวในขณะนั้นจิตจะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในกายของตนเองทั่วหมดในขณะจิตเดียว ตั้งแต่ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดุกจนกระทั่งถึงมัตะเกมัทลุมคั ง, งมันสมองเป็นที่สุดจะรู้เห็นในขณะจิตเดียวทีนี้ในเมื่อจิตไปกำหน ด, ดรู้เห็นอยู่ภายในภายในกายรู้เห็นอวัยวะครบถ้วนอาการสามิสอง เจตค่อยสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วในที่สุดเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงฌานที่สี่ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตผ่านความเป็นอย่างนี้แล้วไปสู่จุดซึ่งเรียกว่าจะตุดฌาน เจตอาจจะมาลอยเด่นอยู่เหนือร่างกายแล้วจะมองเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปือ่อยผุพังสลายตัวไปทีละอย่างละอย่างละอย่างในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็จะสดหัวโปงไปแหลกละเอียดหายสาบสูญไปกับผืนแผ่นดิน แล้วก็ยังเหลือใะจิตสว่างสวัยอยู่เพียงดวงเดียวบางทีอาจจะเป็นย้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายหนอันนี้ก็พึงเข้าใจว่าจิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ความจริงว่าร่างกายของเราจะเป็นไปเช่นนั้น ทีนี้บางทีอาจจะมองเห็นร่างกายแยกกันเป็นกองกองเป็นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายถ้าสมาธิจิตที่กายหายไปแล้วนี่พอจิตย้อนกลับมาหากาย ตอนนี้นักปฏิบัติต้องประคองสติให้ดีเพราะเมื่อจิตมาสัมพันธ์กับกายเราจะรู้สึกสู้ซาทั่วร่างกายเหมือนเหมือนกับฉีดยาแคนเซียมเข้าเส้นอย่างแรงจะวิ่งสู้ไปทั่วกายตั้งแต่หัวสุดเท้าตอนนี้นักปฏิบัติผู้มีสติสัมปชัญญะจะไม่ตื่นตกใจ จิตจะมีสติกำหนดรู้ความเป็นไปจนกระทั่งมีความรู้สึกเป็นปกติพอมีความเป็นปกติสมาธิยังอ่อนๆจิตก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วมันก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเล่าเน่าเปื่อยผุพัง โชคเชงเขาอย่างสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไปไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนแหมจิตมันจะว่าอย่างนี้ในขณะที่มันรู้เห็นนิ่งอยู่เฉยเฉยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นร่างกายตายมันก็เฉยเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังมันก็เฉย แต่มันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถบันทึกข้อมูลเอาไว้หมดทุกอย่างอันนี้เรียกว่าความรู้เห็นในขั้นสั จ, จธรรมสั จ, จธรรมย่อมไม่มีภาษาสมมติปัญญัติและก็เป็นความรู้ความเห็นในสมาธิขั้นสมถะเสียด้วยนะพอเงินนักปฏิบัติที่ภาวนาไม่ถึงขั้น อย่าดวนไปปฏิเสธว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้เจตของคนเราแม้ไม่มีร่างกายตัวตนสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นรู้เห็นเหมือนกับคนใบ้รู้เห็นนิ่งนิ่งอยู่เฉย แต่ว่าสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดถ้าไมจึงไม่พูดทําไมจึงไม่คิดในขณะท่านกายไม่มีจิตไม่มีเครื่องมือจึงคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นสงสัยหรือเปล่าถ้าสงสัยปฏิบัติให้มันไปถึงขั้นนี้แล้วจะหายสงสัย อย่ามัวจะไปเถียงกันว่าสมาธิขั้นสมถะมันไม่เกิดภูมิความรู้ไม่เกิดภูมิความรู้ขอประทานโทษไม่ใช่ตำหนิยกโทษแ ท, ท้จริงตัวภาวนาไม่ถึงขั้นไปอ่านกันแต่เพียงตำรับตาราเท่านั้น <c oughs> ถ้าหากนักปฏิบัติสมาธิภาวนาชาวพุทธเนี่ย ยังเห็นว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้อยู่ตราบใดโพธิบริษัทก็จะพากันโง่จนกระทั่งศาสนาสาบฉุนไปจากโลกไม่เช่ด้านะให้พยายามไปพิจารณาดูให้ดี สมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติเท่าที่สังเกตดูในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้เช่นอย่างมาภาวนาพู้โทพู้โทพู้โทพู้โทแล้วก็คมจิตลงไปน้อมจิตลงไปน้อมจิตลงไปอาศัยการฝึกให้คล่องตัวทำนิ้ทำ น, ทำนานในเมื่อมันเกิดความคล่องตัวเราจะสะกดจิตตัวเองให้หยุดเมื่อไรก็ได้แต่ความหยุดนิ่งของจิต ตามที่เราตั้งใจจะให้หยุดนิ่งมันไม่ใช่สมาธินาพระเดศพระคุณมันเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นสมาธิจริงๆเมื่อจิตหยุดนิ่งมันจะเปลี่ยนสภาวะพลิกพรัรบเป็นนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้าหากกายปรากฏในขนานั้น จะมีวิตกวิจารปีติสุกเอกขคตาพร้อมนิวรห้าทั้งหลายมันจะสงบระงับไปหมดอันนี้มันจึงจะเรียกว่าสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิเมื่อสมาธิธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติไม่สามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจไปไหนได้หรอก นอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยพลังของศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมพร้อมแล้วซึ่งเราสวดสติปัฏฐานสี่มตะคุสักครู่นี้ว่าเอกาญโนโมัคโคสัมมทักขาโตสัตตานังวิสุทธิยา เมื่ออริยมรรคเมื่อเมื่อศีลสมาธิประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งศีลก็เป็นอธิศีลสมาธิก็เป็นอธิ อ, อธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาในเมื่อศีลสมาธิเป็นอธิผู้ยิ่งใหญ่ก็สามารถปฏิวัติภูมิจิตภูมิธรรมไปตามขั้นตอนซึ่งสุดแท้แต่พลัง นั่นจะบันดาลให้เป็นไปอย่างไรผู้ปฏิบัติไม่มีทางที่จะมีสัญญาเจตนาจะน้อมจิตไปอย่างไรเจตจะออกนอกเป็นเรื่องของจิตจจตจะเข้าในเป็นเรื่องของจิตเจตจะมากาหนดรู้อยู่ที่จิตเป็นเรื่องของจิตซึ่งเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในขณะที่จิตเป็นไปเช่นนั้น จะไปรู้ไปเห็นอะไรก็เพียงแต่ว่าเฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆเท่านั้นแหละเช่นอย่างรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทั้งหลายทั้งปวง ก, ก็สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆคําว่าอนิจจังก็ไม่มีทุกขังก็ไม่มีอนัตตาก็ไม่มีถ้าไปเขินมีแล้วสมาธิมันจะถอด เราอาจจะพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราว่าได้ตั้งแต่จิตยังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วนี่มันจะปรากฏแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่เท่านั้น แล้วคําพูดที่ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะไม่มีมันจะมีต่อเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมันจึงจะพูดเป็นเพราะมันมีกายเป็นเครื่องมือแล้วอันนี้ทางเป็นไปของจิตทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อสรุ ป, ปรวมลงไปแล้วว่าเราจะบริกรรมภาวนาก็ตามจะพิจารณาอะไรก็ตาม การบริกรรมภาวนาเรียกว่าปฏิบัติตามแบบของสมถะการพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามแบบของวิปัสนาทั้งสองอย่างนี้เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อได้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงและทั้งสองอย่างนี้ ในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเนี่ยภาษาคำพูดอะไรต่างๆมันจะไม่มีผู้ปฏิบัติแบบวิปัสสนาก็ดีแบบธรรมะก็ดีในเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์แล้วมันจะไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆทีนี้จุดที่มันนิ่งว่างเนี่ยทางหนึ่งมันพุ่งกระแสะออกนอกเกิดภาพนิมิต ด, ดังที่กลา่าว อีกทางหนึ่งมันวิ่งตามลมเข้ามาข้างในจะมารู้เห็นวัยวะภายในร่างกายซึ่งเรียกว่ารู้อาการสามสิบสองมันจะไปจนกระทั่งถึงจะตุบทาชานทีนี้อีกทางหนึ่งมันไม่ไปไหนละเจตกำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวไม่เข้านอกไม่ออกในแล้วจะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจิตรู้จิตอย่างเดียว ถ้ากายยังมีอยู่มันก็จะเห็นอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างละเอียดนี่ทางไปของจิตมันมีอยู่สามทางเท่านี้อันนี้ขอฝากนักปฏิบัติทั้งหลายเอาไว้พิจารณาก่อนที่จะจบเรื่องราวนี่อยากจะข อ, อนำข่าอวาด้ายคสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาเล่าถูกันฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา อวาดของหลวงปู่เสามีอยู่เพียงสั้นสั้นท่านพูดเป็นปริศนาขึ้นมาว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดพ่อถามว่าจิตทุ้งส่านหรือไงท่านอาจารย์ท่านจะตอบว่าเอา้าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่กล่าวนาลองฟังดูสินักปฏิบัติทักหหาย เวลานี้จิตข้ามันไม่มีไม่ไ ม, ไม่สงบมีแต่ความคิดจิตพุ่งสั้นหรืออย่างไรอา้าวถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าอา้าวไปนอนนั่งคิดนอนคิดตีความหมายของโอวาทครูบาอาจารย์ให้แตกถ้าตีโอวาทของครูบาอาจารย์ให้แตกแล้วเราจะได้หลักในการ ปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องอันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เสาฝากไว้สั้นๆแต่เพียงแค่นี้โอวาทของหลวงปู่มั่นทีติภูตังทีติภูตังมีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่เคยถาทิีติภูตังของพระอาจารย์มั่นหมายความว่าอย่างไร สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่แหละก็โทนตอบท่านว่าสวดมนต์ถวายท่านรำมัธรรมิตาตาธรรมนิยามตาเพราะความที่จิตตั้งมัน่นนิ่งเด่นสว่างสวัยทำมณีนิยามตาเพราะความที่สภาวะธรรมทั้งหลายมาหมุนรอบจิต คือจิตสงบนิ่งอยู่ในถํำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์แต่ไม่มีความหวั่นไหวตามกิเลสและอารมณ์นั้นๆจึงได้ชื่อว่าถีติภูตังถีติความตั้งมั่นของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิภูตังความไหลไปความเปลี่ยนแปลงไปความวิ่งไป ของสภาวะธรรมที่เกิดจากกับจิตอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือโอวาทของหลวงปู่มันโอวาทของหลวงปู่ฟัน้นอย่าปล่อยให้จิตมันว่างอย่าปล่อยให้จิตมันว่างความหมายของท่านตีความหมายว่าอย่างไรบางท่านอาจจะว่า ไม่ปล่อยให้จิตว่างนี่มันจะต้องคิดต้องโสดมนต้องท่องอะไรอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่าไปเข้าใจเช่นนั้นคำว่าจะปล่อยให้จิตมันว่างนี่หมายความว่าให้มีสติกาหนดรู้จิตอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทำไมหนอท่านผู้นี้จึงสอนว่าอย่าทำจิตอย่าปล่อยให้จิตมันว่าแล้วให้มีสรรมติกำหนดติดท่านเอาความรู้และหลักฐานมาจากไหนในเมื่อมองไปในหลักปริยัติมีพุทธภาษิต ท, ที่ทรงตรัสไว้ว่า เอธาปัสสติมังโลกังจิตตังลาชารลัทธุปะมังยถาปาราวิสีรันตินณถิสังโฆวิจานะตังเยจิตตังสัญญเมตสันติโมคันติมารบัญธนาสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตบรรจงดุจราชรทรงของพระราชาที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ ผู้ใดจักสัมรวมซึ่งจิตผู้นั้นจากพ้นจากบ่วงแห่งมาชัดเจนหรือเปล่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างเธอมีสติสัมรวมจิตอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติสัมรวมจิตผู้นั้นจากพ้นจากบ่วงแห่งมา ในหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นท่านอาศัยหลักฐานตามพุทธโอวาทตอนนี้เทนีห <c oughs> ลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความรู้อื่นความเห็นอื่นไม่ปรากฏขึ้น เป็นสมาธิแบบอารัมมณูปนิธานเป็นสมาธิในฌานสมาบัติทีนี้สมาธิในอริยมรรคมัญฉลาดคือจิตสงบนิ่งลงไปนิดนึงความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุทีนี้ในเมื่อความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไร ความคิดคือวิตกใช่หมครัสติที่รู้พร้อมอยู่ที่ในขณะที่เจตเกิด ค, ความคิดคือวิจารณ์ใช่หรือเปล่าในเมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์ปีติตลสุขมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นสมาธิในวิปัสสนานี่อาศัยองค์ฌานคือวิตกวิจารณ์ปีจิสุขเอกคต า, าเหมือนกันเหมือนกันกับสมาธิในฌานสมาบัติ แตกต่างกันโดยที่ว่าสมาธิในฌานสมาบัติไม่เกิดภูมิความรู้เป็นแต่เพียงทำจิตให้ละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งเกือบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่สมาธิในอริยมรรคนี้พอจิตสงบนิ่งลงไปปับบางทีก็รู้สึกแจ่มแจมแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแบบรังไม่อยู่ ซึ่งนักปฏิบัติบางท่านเข้าใจว่าจิตภุ้งช้านอย่าไปเข้าใจผิดบางทีก็จิตสว่างแล้วก็เกิดเห็นโน่นเห็นนี่ทางนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตเลิกกลู้เห็นนิมิตแล้วก็มาเกิดความภูมิความรู้ความคิดขึ้นมายังกระนำผู้อีกเหมือนกันอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรค ซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสนาเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจถูกต้องในช่วงใดจิตต้องการสงบนิ่งปล่อยให้นิ่งช่วงใดจิตต้องการคิดปล่อยให้คิดแต่มีสติกำหนดตามรู้ทีนี้ถ้าหากสมาธิถึงขนาดที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรหรอเขาจะเป็นไปเองของเขา จิตของเราจะรู้เฉยอยู่เท่านั้นบางครั้งก็จิตสงบแล้วมันเกิดมีความคิดขึ้นมาฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งขึ้นมาจิตอาจจะแบ่งออกเป็นแยกออกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดยัง้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูงานอีกมิติหนึ่งทาร่างกายปรากฏ จะมาสงบนิ่งอยู่ใน่ํำกลางของร่างกายตัวที่คิดอยู่ไม่หยุดเป็นจิตเหนือสำนึกตัวที่เฝ้าดูคือตัวผู้รู้ได้แก่สติตัวที่หยุดนิ่งคือจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานลองไปปฏิบัติดูนะ จะเป็นไปได้ไหมอย่างที่ว่านี้อันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เทศโอวาทของหลวงปู่มหาบัวปัญญาอบรมสมาธิลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิตามความหมายของหลวงปู่องค์นี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้ เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปได้นิดหนึ่งความคิดความรู้มันผุดขึ้นมาเหมือนกับสมาธิในอริยมรรคของลงปู่เทศที่นี้ความคิดอันใดที่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันกันอยู่นะโดยอัตโนมัติมันเป็นจิตเดินวิปัสสนา ที่นจิตดวงนี้เอาความคิดที่เกิดขึ้นมาเองเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อความคิดความรู้มันเกิดขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็กาหนดรู้เองโดยอัตโนมัติความตั้งใจหรือเจตนาจะให้จิตเป็นไปอย่างนั้นอย่างไรนั้นไม่มีมีแต่ความเป็นเองของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิและปัญญา ทีนีเลยเมื่อในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติมีสติสติรู้พร้อมอยู่โดยอัตโนมัติสมาธิมันก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเพื่อจิตมันสงบละเอียดลงไปนั่นเองแล้วในที่สุดอารมณ์กับจิตมันจะแยกออกจากกันกลายเป็นสามมิติดังที่กล่าวมาแล้ว อันนี้คือลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิทีนี้ความหมายและความเป็นไปของมติของครูบาอาจารย์ตามที่กล่าวมานี้จุดมุ่งหมายอยู่ที่จุดเดียวคือความเป็นตรงกันแต่เมื่อท่านพูดท่านใช้โบหารคนละอย่างลงปูมัน่นอารมณ์ปูเสาว่า จิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดหลวงปู่มั่นทิติภูตังหลวงปู่ฟั่นอย่าปล่อยให้จิตว่างหลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมัญฉลัดหลวงปู่มหาบวปัญญาอบปลมสมาธิความหมายมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองแต่ท่านใช้ภาษาคนละภาษา อันนี้โ อ, โ อ, โอวาทของครูบาอาจารย์ดังที่กล่าวมานี่นักปฏิบัติควรจะได้นำไปพิจารณาได้จดจำดำเนินตามปฏิปทาของท่านที่ไี้มาสรุปลงที่โอวาทของหลวงปู่ลีหรือท่านพ่อลีท่านพ่อลีท่านปฏิบัติท่านยดอนาปานุสติเป็นหลัก แล้วท่านสอนท่านก็สอนอนาปารสติถ้าูกคิสร็์มีอุปนิสัยเบาบางท่านจะสอนให้มีสติสกำหนดลมหายใจอยู่เฉยแต่บางท่านที่มีอุปนิสัยค่อนคอนอะไรลนะ่ะค่อนคจะเชื่องช้าหรือหยาบหน่อยท่านก็สอนให้ภาวนาพูดพร้อมลมเข้าโรพร้อมลมออก ถ้าผู้ที่มีอุปนิสัยน้อยหรือว่าบารมีน้อยท่านก็สอนให้กำหนดลมหายใจแล้วนับหนึ่งสองหายใจเข้านับหนึ่งสองหายใจออกนับหนึ่งสองหายใจเข้าหนึ่งสองสามหายใจออกหนึ่งสองสามจนกระทั่งทวีคูณขึ้นไปจนกระทั่งถึงสิบ หายใจเข้าหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดแปเก้าสิบหายใจออกหนึ่งสองสามสีห้าเแปเก้าสิบเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะโดยตรงเมื่อจิตสงบลงไปแล้วการนับมันก็จะทิ้งไปเพราะการนับมันก็เหมือนบริกรรมภานานั่นแหละทีนี้เมื่อมันทิ้งการนับแล้วมันก็จะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียว เท่าที่เล่าๆมานี่เป็นโอวาทของครูบาอาจารย์เกรดเล็กเกรดน้อยเ ท, าทาเ่าที่สามารถจำได้ทีนี้ขอทำความเข้าใจกับนักปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้นักปฏิบัติเราเนี่ยมักจะไปยึดมั่นถือมั่นในหลักและวิธีการตามหลักวิชาตามหลักวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาเถียงกันอยู่ที่จบหนอพองหนอะโพธโธสัมมาระหังอยู่นี่แหละใครก็ว่าของใครดีใครก็ว่าของใครวิเศษเรามาคิดจากนี้ดีไหมล่ะเออตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ย ท่านเอายบหนอพองหนอสัมมาอรหังพูดโอ ท, ที่ไหนมาท่องนั่นเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกคำโพธดสามคำนี้มันก็ยังไม่มีดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีคำที่จะท่องท่านจึงเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ ดังนั้นท่านพ่อของเรานี่ก็ยึดลมหายใจมาสอนลูกจิตลูกหาเป็นส่วนใหญ่โครบาอาจารย์ที่ย้ำสอนให้กำหนดลมหายใจเนี่ยแสดงว่าท่านมีความรู้ความฉลาดในการปฏิบัติมีประสบะการณ์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของท่าน มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อจิตหยุดพิจารณาหยุดบริกรรมภาวนาจิตว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตจะไปรู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นท่านพอรีท่านจึงได้จุดหลักนี้พระพุทธเจ้าก็กาหนดรู้ลมหายใจจงกระทั่งได้สมาธิ ไปตามลำดับท่านตอนปฐมวิชานทตาาตตาาุติยวชานตติยวชานจตุถวชานเสร็จแล้วก็วอกเข้าไปสู่สัญญาเวสัจิตานิโรธเข้านิโรธสมาบัติไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้เมื่อสร้างพลังจิตพร้อมแล้วจิตเปล่งบาลออกมาอีกครั้งหนึ่งสามารถแผ่รัศมีคลุมจั ก, กรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสสโรเป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลก คือู้นกรกโลมนุษย์รสวรร์ท่านอ่านคำพีมามากแล้วพูดย่อๆเพออียงแค่นี้คือท่านูโลกลกนรกโรกมนุษโลกสวรรษโลภเปรนวาสานุสติญญาายานจตูปปาปายานอาสวัคขยายนในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมยามแล้วก็รู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐาน เพราะในช่วงนั้นร่างกายตัวตนของพระองค์ท่านหายบมดยังเหลือใจจิตสว่างสวัยอยู่เหมือนดวงอาทิตย์แผ่รัศมีคลุมโลกสว่างสวัยทั่วไปทำให้พระองค์ตรัสฉลูเป็นโลกวิถูเมื่อตรัสฉลูเป็นโลกวิถูแล้วก็ บ, บันทึกข้อมูลต่างๆโดยอัตโนมัติเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาพอรู้สึกว่ามีกาย ก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้นั้นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสนาพระองค์พิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมมยยามจุตู ป, ปะปัจยานจบลงในมัจิมัยยามอาสวัคยายานจบลงในปัจฉิมยามเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริง ราหัตมักขยานบางเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะขาดสวับั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าระหังสัมบาสัมปุโทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสสโลชอบได้ดโดยพระองค์เองด้วยประกาศนี้การตรัสสโลของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมยาม แล้วก็ตรัสระลปุเพไิวาสานุสติยานจตูปปาตญยานในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมยามแล้วก็รู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานรู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติเพราะจิตไม่มีตัวพูดไม่เปิดคิดก็ไม่เปิดเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสรู้ว่ามีร่างกาย จึงได้มาทรงพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นนั้นตามลำดับยามจนกระทั่งถึงสว่างจึงได้สำเร็จเป็นพระอระหรันต์สถาสมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ขอเสนอมติความคิดความเห็นไว้ให้นับปฏิบัติทั้งหลายได้ช่วยกันพิจารณา ถ้าหากมสมมติว่าท่านพิจารณาดูความตายถ้าเห็นคนอื่นมาตายให้เราดูสัตว์อื่นมาตายให้เราดูเรายังไม่เห็นความตายแต่ถ้าเราเห็นตัวเราเองตายให้เราดูตัวเราเองตายให้เราดูนี่มันตายอย่างไรคือวิญญาณจิตนี่มันวิ่งตามลมออกไปแล้วกคนนี้ไปลอยเด่นอยู่เหนือร่างกาย พอเสร็จแล้วก็มองลงมาดูร่างกายเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปหมดนี่ในลักษณะอย่างนี้จึงจะเชื่อว่าเห็นความตายที่นี่เมื่อเห็นคนอื่นตายสัตว์อื่นมาตายให้เราดูนั่นเราเห็นแต่วความตายของคนอื่นสัตว์อื่นในทํานองเดียวกันที่ครูบาอาจารย์สอนเรา ให้เราพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปพิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารก็คือคนและสัตว์เป็นสังขารที่มีชีวิตจิตใจสังขารอีกอย่างหนึ่งก็คือดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนสังขารไม่มีชีวิตจิตใจ เราก็ได้ไปเที่ยวกล่าวตู่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่หาได้มองเข้ามาข้างในไม่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะเราไปกล่าวตู่เขาทัางหากเราตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ที่ไห น, ม, น, ไหนมันอยู่ที่ไอ้ตัวจิตวิญญาณ น, นี่เอง ถ้าตาเห็นรูกถ้าจิตวิญญาณมันปกติไม่ยินดียินร้ายมันก็ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามันรู้อารมณ์อะไรต่างๆผ่านเข้ามาแล้วมันมันไหวหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็เกิดยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เรื่อยร่ำไปอันนี้คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขึ้นที่จิต จิตของเรานี่แหละตัวการสำคัญที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอบรมจิตจิตตัง้งทันตัง้งสุขภาวะหังจิตที่อบรมแล้วนําสุขมาให้ทำไมมันจึงนําสุขมาให้ก็เพราะว่ามันเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใด เป็นอกสระแก่ตัวอย่างเต็มที่วิญญาหรืออารมณ์ต่างๆนี่ลากคอมันไปสักไปย่ำไม่ได้มันก็เป็นตัวของตัวเองมันก็เที่ยงมันก็ไม่เป็นอนัตตามันก็ไม่เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาก็เป็นตัวของตัวเองโดยอิสระและเอกอันหนึ่งได้รับเอกสารจากสำนักวิจัยวิจารณธรรมะทั้งหลาย ทั้งฝ่ายนักปฏิบัติทั้งฝ่ายปริยัติท่านจะท่านก็กรุณาแจกไปให้อานปัญหานั้นมีว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาพระนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาทางฝ่ายหนึ่งว่าพระนิพพานเป็นอัตตา อีกฝ่ายหนึ่งพระนิพพานเป็นอนัตตาเพราะอาศัยพุทธภาธธสิทธิวัสสะเพธำมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาพระนิพพานก็เป็นธรรจึงเป็นอนัตตาโทีิว่าพระนิพพานเป็นอัตานั้นไปอาศัยโหหารท่วาอาัตตาิปะอัตัชรนา อตาหิอตโนนาถุตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงจึงเป็นอตตาเหตุ <c oughs> หรือถูกท่านพุทธบริษัททั้งหลายฝ่ายหนึ่งว่านิพพานเป็นอตาฝ่ายหนึ่งนิพพานเป็นอนัตตา <c oughs> อตาตมะจะขอเสนอความคิดเห็นอย่างนี้พระนิพพานไม่ใช่อตาตาพระนิพพานไม่ใช่อนัตตาแม่แต่นิพพานก็ยืมยืมคำพูดกล่าวถึงอาการดับของกิเลสมาพูดนิพพานะแปลว่าดับดับอะไรดับกิเลสโลภโกรดหลง อาสะวะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจอันนี้เรียกว่าดับมาเอาอาการดับเรียกชื่อธรรมะสูงสุดว่าพระนิพพานแต่ความจริงนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเป็นแต่เพียงกิริยาการดับกิเลสเท่านั้น ส่วนที่สิ่งที่อยู่เหนือการดับนั่นคืออะไรสิ่งที่อยู่เหนือการดับนั่นคืออะไรสัจธรรมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติพระพุทธเจ้าหาคาพูดที่จะมาบัญญัติให้เราท่องเราอ่านไม่มีจึงไปยืมเอาคําว่านิพพานดับเป็นชื่อสภาวะหรือมิตินั้น แต่แท้ที่จริงภาษาที่จะมาพูดกันอย่างโดยตรงนั่นมันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจึงจนปัญญาจึงขมวดลงท้ายธรรมคุณว่าปัจจังเวทิตาโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองชัดเจนไหมล่ะอันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าใครถึงจุดที่ว่านั้นแล้วรู้ได้ด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่าเออคำว่านิพานไม่ใช่สภาวะอย่างนั้นหรอกเป็นแต่เพียงกิริยาการดับกิเลสเท่านั้นแต่สิ่งนั้นมันอยู่เหนือการดับแน่มันจะได้ความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนั้นเอาละ ว, วันนี้ขอฝากธรรมะอันเป็นคติเตือนใจแด่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่การะเวลา เราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ของเราในสายกรรมฐานโดยตรงคือหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ดีหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้และท่านอื่นๆก็ได้มรณะภาพเข้านิพพานกันไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่เรา แต่เราพูดซึ่งเป็นลูกซิ์ <c oughs> จำคําเตือนหลวงปู่ฟั่นได้ว่าอา จ, จะมาไปกราบเยี่ยมท่านก่อนที่ท่านจะมรณาภาพเพียงสามวันในขณะนั้นท่านนอนคุมโปกพอไปกราบแล้วโบกมือห้ามไม่ให้พระรบกวนท่านแต่ท่านบอกว่าเอาลูก เอาลุกเอาลุกหมอไม่ให้ลุกเอาลุกจนกระทั่งพระกอพระยุงท่านลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาท่านมองเห็นมือสั่นๆท่านยกขึ้นมาชี้หน้านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็สอนให้หมดแล้วแล้วก็ทาได้ดีด้วยแต่มันยังประมาจอยู่เท่านั้นเองมันยังขี้เกียจอยู่ ต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยถ้าหมดพระรุ่นพวกเธอนี่พระกรรมฐานสายนี่มันจะหมดนะอันนี้ลองลองจำคำพูดของลงปู่ฟั่นไปพิจารณาลองดูแล้วเมื่อครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นเราก็ถือเป็นโอวาทคำตักเตือนสั่งสอน ว่าพวกเราอย่าประมาททำอย่างไรเราจึงจะรักษาจารีประเพณีของครูบาอาจารย์เราไว้ได้เวลานี้นักปฏิบัติทั้งหลายของเรานี่จะไปถือแต่การปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นประมัดเป็นใหญ่เรื่องของสมาธินี่เป็นหลักธรรมกลางๆง คนมีศีลก็ทําได้คนไม่มีศีลก็ทําได้คนมีศาสนาก็ทําได้คนไม่มีศาสนาก็ทําไ ด, ไได้แต่หัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มีอะไรเป็นสิ่งสําคัญสีเลนโภขสัมปทาอสีเลนนิพุติงยันติ จะถึงความดับซึ่งกิเลสและบาปกับอยู่ที่ศีลเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญตัสถมาถสีลังวิโสเถรเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงรำละศีลให้บริรสุทธิ์สตร์ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรยสบเจ็ ร, รักษาให้มันดีอย่าไปอนุโลม เลือไปเพิกถอนสุขุ้บทวินัยเพื่อความสะดวกสบายสําหรับตัวเองอาจาริยวัตรอุปชายวัตรให้มันเคร่งครัดการปฏิบัติอาจาริยวัตรอุปชายยวัตรนี่เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ปราบทิฐิมานะของเราเอง ออปสรักสำคัญในการปฏิบัติธรรมนี่คือทิฏฐิมานะความถือตนถือตัวนี่แหละตัวนี้เพราะฉะนั้นองค์กคุณของพระโสดาบันสกายะทิฏฐิเป็นตัวแรกที่พระโสดาบันจะต้องตัดขาดตราบใดที่สกายะทิฏฐิยังมีกินใจอยู่ไม่มีทางจะสำเร็จมรรคผลนิพพาน อุบายวิธีที่ท่านให้มีจิตวัตรอุปชายาวัตอารามิกวัตอาจารยวัตรชันตาครวัตขันธวัตสิบสข้อเนี่ยอันนั้นแหะเป็นหัวใจการปฏิบัติของกรรมฐานทั้งหลายถ้าขันธวัตสิบสีข้อนี่ ย, ย่อหย่อนแล้วก็เรียกว่ามันจะไกลต่อแนวทางแห่งมรรคผลนิพพานเราจะหันหลังให้ครูบาอาจารย์ไกลไปทุกทีทุกที พองั้นศีลเท่านั้นเป็นตัวสำคัญอย่าไปมองข้ามอาลลการแสดงธรรมการบรรยายธรรมถ้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างตามสมควรขออุทิศเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่วิญญาณของท่านพอรีซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่ เป็นที่เคารพ บ, บูชาของพวกเราผู้เป็นศิทธิยานุสิ์ทั้งหลายโดยอานิสงส์แห่งการที่เรามีความกัจจัญญูกตเวทีเคารพ บ, บูชาในครูบาอาจารย์จง บ, นนบุญดลบรรดาลจิตใจของเราผู้เป็นศิทธิยานุสิตให้เข้าถึงคุณของครูบาอาจารย์คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ คือสภาวะจิตที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีสภาวะจิตที่มีสภาวะสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะแท้แล้วก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วกันทุกท่านเธิดขอจบ